อยากถามขอความเห็นจากคุณดังตรินค่ะว่าชายหรือหญิงกันแน่ที่ควรเป็นฝ่ายให้ความอบอุ่นกับอีกฝ่ายเท่าที่เห็นจากความเป็นจริงผู้ชายส่วนใหญ่ก็ไม่ต่างจากผู้หญิงคือมีเวลาอยากเรียกร้องความเห็นใจอยากได้คาปลอบโยนและเพศหญิงก็มักปลอบได้ดีเป็นความอบอุ่นได้ยิ่งกว่าเพศชายซะอีกเพราะผู้หญิงจะมีความเห็นอกเห็นใจสูงและทนเหนื่อยปลอบได้นา น, าน เรื่องความสามารถในการปลอบนั้นไม่เกี่ยวกับชายจริงหรือหญิงแท้หรอกครับเป็นหญิงไม่ใช่เครื่องหมายเรียกขอความสงสารขณะเดียวกันเป็นชายก็ไม่ใช่สัญลักษณ์ประกาศห้ามใครสงสารสิ่งที่ทุกคนเป็นเหมือนกันคือมนุษย์ที่มีหัวใจหัวใจที่ทำด้วยเนื้อถูกกระทบกระแทกและบอบช้าง่ายกว่าท่อนไม้หรือเลหล็กไหลนั่นหมายความว่าตอนอ่อนแอ ไม่มีหญิงไม่มีชายมีแต่คนอ่อนแอให้เห็นและคนอ่อนแอก็สมควรได้รับการยกเว้นจากการซ้ำเติมไม่น่าขัดเขินหากจะขอรับความช่วยเหลือบ้างแต่ความจริงทางธรรมชาติมีอยู่นั่นคือธรรมชาติให้ขาที่แข็งแรงมากับเพศ ช, ชายสมควรที่จะล้มยากและลุกง่ายเหมือนธรรมชาติจะบอกเราว่าเป็นชายแท้นั้นหาใช่ว่าล้มไม่ได้ ไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดที่จะล้มแต่ชายชาตรีที่แข็งแรงพอจะทำให้คนอื่นรู้สึกอบอุ่นได้อย่างแท้จริงนั้นคือคนที่ล้มแล้วลุกขึ้นได้ด้วยตัวเองคนที่ล้มแล้วลุกเองได้อย่างสง่างามจะเป็นที่พึ่องอย่างใหญ่ต่อไปส่วนผู้หญิงถ้าล้มแล้วลุกได้เองก็ถือว่าเกินหญิงไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจที่หญิงจะเข้มแข็งได้เท่าชายแท้ราบเท่าที่ความเข้มแข็งของเธอ นำมาซึ่งความอบอุ่นที่พร้อมจะเผื่อแผ่ไปหาใช่เข้มแข็งในแบบที่แปรเป็นความกระด้างชวนให้รู้สึกหนาวเย็นในภายหลังนั่นว่ากันเรื่องชายเรื่องหญิงนะครับแต่สรุปคำตอบให้ตรงคำถามก็คือทั้งชายทั้งหญิงนั่นแหละควรทำตัวเป็นความอบอุ่นให้กับคนที่กำลังหนาวมนุษย์เป็นความอบอุ่นให้แก่กันและกันได้เพราะต่างก็มีธาตุไฟในกาย และมีขันติในใจด้วยกันทั้งสิ้นครับเเเบิดดาดาาออออูหหหหลลลงงคนว